กันญาติ 20 พฤษภาคม 2534 ตามเดิมบันทึกขึ้นเดียวกันคอ ชาวบ้านบอกว่า 2ๆชาวบ้านก็ขอนิมนต์ให้อยู่ จึงถามอินทกะว่าตามสัญญาของเรา แต่กว่าจึงหาของบ้านเค้าก็มีรสอร่อยดีอย่าง อาหารเพชรผักกับน้ำพริกชอบฉันเพราะเลี่ยงเรื่องเนื้อสัตว์เพราะจริงไม่ได้กินเจแต่ว่าเกรงว่าจะติดเรื่องเนื้อสัตว์มากเกินไปวิธีประการหนึ่งถ้าเราชอบอย่างไหนเขาก็จะหาอย่างนั้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวป่าก็ต้องหาแยะบ้างหาอึ่งบ้างอะไรเป็นต้นพวกนี้ถ้าเขารู้ว่าพระ ก็เป็นว่าทั้ง 3 องค์ก็ชอบเหมือนกันคือชอบผักอย่างผักบุงผักเอ่อผักคะน้า เมื่อกินเสร็จแล้วจึงยังเวลา <c oughs> เสือจริงๆพอเวลาประมาณ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเสือมาตัวหนึ่งทั้งคืนนี่ว่าเสือนี่จะทําอันตรายได้มั้ยทําไม่ได้หรอกท่านเฉยๆก็แล้ว <c oughs> ถ้าถามว่าถ้าคาถาพระสัมสัมนิสสัทธิพะ แต่เวลานี้เสือกําลังจะมาคิดจะทําร้ายแต่วนมาวนไปแต่เข้าในเขตรดไม่ได้ก็ไม่ควรจะว่าคาถาบทนี้ให้เฉยไว้เพราะอันตรายต่างๆเป็นหน้าที่ของนักของผมแต่ว่าเสือเดินวนไป โคยดีนี่คอยอามากในที่สุดก็บอกท่านอินทกะบอก เพเรอว่าท่านพระทั้งหลายที่อ่านเพื่อฟังหรือว่าใช้คาถาบทไหนคาถาจริงๆก็คือบทเมตัญญ <c oughs> ถ้าถามว่าแผ่เมตตาแล้วทําไมเสือจึงมาได้งานก็ต้องตอบว่านั่นเป็นหน้าที่ <c oughs> ลักษณะขุกสายตดเป็นว่าตอนเช้าชาวบ้านมาเห็นเข้าก็ทราบว่าเป็นอันตรายเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถามมันนั้นมันร้าย หม้อไก่ไปกินบ้างถ้าหากว่าพวกวัวตัวเล็กๆมันก็คราบเอาไปกินมันเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายถ้าไม่ดี หลังจากฉันเสร็จก็ลาญาติโยมหลายถ้วนปลดเดินทางต่อไปไป ถามว่ายังกะว่าที่นี่จะมีอันตรายมั้ยถ้าบอกคือจะอันตรายมันมีทุกแห่งให้คิดไว้เสมอว่าทุกแห่งมีอันตรายจะต้องระวังตัวไว้ถ้าถามว่าอันตรายอื่นใดจะมีมั้ยไอ้ที่อย่างเสือเป็นต้นช้างเป็นต้นถ้า ถ้าถามว่าจะเป็นอะไรทั้งบอก ถ้าได้อิทะกะเท่าทสูไปได้แล้วก็คนจะตายแต่มี <c oughs> อารมณ์ใจเป็นกุศลอย่าง 2 ลุกขึ้นเจริญกรรมฐานทั้ง 100 คนไม่ 2 คนคุยกันโผละเยก นั่นเข้านั้นเข้าก็เห็นคือพวกเธอเดินใกล้เข้ามาใกล้มากมากมายเหลือเกินมัน 200 คนเศษล้อมบริเวณ <c oughs> หรือว่าบางทีเค้าอาจจะ 200 คนเศษอย่างละร้อง ให้ท่านสังเกตให้ดีว่าทุกคนผิวสวยหมดทรงผมสวยหมดแต่งตัวก็ ถ้าท่านติดทั้ง 3 อย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาก็จะกลับก็ นายเพชรผู้นี้เคยเป็นคนก่อนเคยมีร่างกายอิสระสุกปลอก เผ่าร้องรำทำเพลงจะถือว่ามันเป็นการขัดกับการเจริญว่าเรื่องของใครก็เรื่องของใครเขาจะร้องรำทำเพลงก็เป็นเรื่องของเขาเราเจริญ พอท่านอินทกะบอกว่าถูกท่าน<ไป> แล้วก็ไดรเบลลานี้เข้ามาทดลองท่านท่านไม่สนใจในรูปร่างของเขาท่านไม่สนใจในผิวพรรณของเขาท่านไม่สนใจในความรู้สึกว่าความมีความเกิดชีวิตเป็นของไม่แค่ในความตายเป็นของเที่ยงคนทุกคนต้องตาย เมื่อก็เห็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยคิดว่าการที่จะมาพิสูจน์เป็นผลดีสําหรับเขาคือวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะใส่บาตรเขาต้องมาพิสูจน์ก่อนถ้าบังเอิญคณะของท่านอีก 2 องค์ท่านมีความรู้สึกยังไงท่านธากะก็บอกว่าอีก 2 ต่างคนต่างปรุงอนิจจังว่าบรรดาผีทั้งหลายพวกนี้ต่างมันเน่ามาก่อนแล้วมันเน่ามาก่อนตายคืออุจารปัสสวะนําเลือดนําเหลืองในร่างกายมันเน่ามันเหม็นไว้ก่อนตายพอตายแล้วก็เน่าเน่าแล้วก็มาเป็นผีเป็นผีทั้งว่ารอพระพุทธองค์ทั้ง <c oughs> แม้เมื่อกลับไปแล้วก็ปรากฏ <c oughs> <c oughs> อย่างผมมาเทวดานี่มีกากังมีร่างกายหยาบกว่าอะไรทั้งหมด อีกสักครู่เดียวประมาณ 0:00 น. ก็มีคราวนี้มีทั้งผู้หญิงมีทั้ง <c oughs> ถือมาคนละกล่องละกล่อง <c oughs> ทางปากก็แสดงพูด แล้วก็กินข้าวไป walking เข้าไปเมื่อกินข้าวเสร็จก็กิโลเมตรจะมีถ้ําเป็น 7 วัน พวกผมอยู่คุ้มครองท่านท่านก็ได้อินทกาดก็นําด่าเดินทางไปพอเข้าไปถึงถ้ําท่านก็ชี้แจงเรื่องความเป็นมาต่างๆว่าดินแดนแถวนี้เติมทีเดียวเคยเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองแต่เวลานี้เป็นป่าก็ดูสภาพบ้านเมืองต่างๆสมัย <c oughs> เป็นกลุ่มของคนบางครั้งบางคราวก็ยกทัพมรบกันบ้างบางครั้งบางคราวก็ดี ไหนเมื่อเขาสั่งให้รบก็ต้องรบกันก็ยกทัพตีกันนั่นเองยกโผตีกันโดยละก็น่าสลดใจ ก็คิดถึงไม่ใจว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในสถานที่นี้เคยมีคนคนมีเนื้ออ่อนกระดูก 빨리 미 perde families Unless they go inside estos话 Francis可 states that how harmless Tag their faith is finished that is going back to each other I ask Frau him one to ask Danny what will he go? he'll go uh he will suivre the and he said that not by the gate to child след�- splendor so he said to him there like 백 condoms to each other trip she ลูกน้อยอินทกะก็ไปโดยทั้งพวก แต่ตัวนั้นก็ค่อยโตขึ้นทีละ ว่าถ้านี่ปรากฏร่างกายอย่างนี้ก็คือผีก็เรียกว่าผีที่เกิดขึ้น แล้วยกมือไหว้พระด้วยความเคารพสร้างบุญสร้าง เป็นวดัคคข้อใหญ่มาทีละน้อยละน้อย <c oughs> ถ้าหมาเป็นสัตว์ที่เลวกว่าคนนี่เป็นคนแต่แท้กลับกลายเป็นหมา <c oughs> ตามสภาพโคสนักเธออยากกินอะไรขอให้ได้กินตามชอบใจจะห้ามกินฉันพอพูดเท่านี้สวนนักหัวเราะกักกักกักไปเสียคนพอเดี๋ยวภาพสวนนัก องค์ที่ 3 คือหลวงพ่อเนียมองค์ที่ 4 จะจะมาลองพวกเธอว่าพวกเธอจะกลัวมั้ยที่ถ้ากระทัท่านจริงลีกทางในความจริงท่านถ้าเอาให้ <c oughs> ฉันติดตามพวกติดตามพวกเธอมาหลายวันแล้ว แล้วก็ถูกเขาเอาทรายมาเป็นข้าวเค้าเก่งมากเอาหนามมาผูกทําเป็นต้มยําไข่ มาวันนี้เธอเห็นภาพคนใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นทะนุธนตาก็ไม่ตกใจอย่างนี้ใช้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตาย ถ้าเราตายอยู่กับอาธรรมกิจที่ นึกว่าจะไปเฝ้าท้าวเวสสุวรรณแล้วปล่อยให้นุพปันนพพรษิด <c oughs> มีคนมาใส่บาตรเป็นปกติแต่คนที่ <c oughs> กรวงภาวุธิมาทั้งหมดเป็นนางฟ้ากับเทวดาไม่ใช่คนธรรมดาเราก็จับเราก็ไม่พูดเรามีหน้าที่รับมันเค้าให้มันเค้ามี เพราะส้มมันใหญ่คือป่าจะถ่ายที่ไหนก็ได้แล้วไม่ถ่ายใกล้ตัวแล้วก็แล้ว